กอนจะอุพานท่านรองทุขดีกรมสุขภาพจิตก่อนจนญาติโยมสาธุชนทุกท่า น, น ก, การพูดเรื่องสุขภาพหรือสุขภาวะเนี่ยก็คงต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่ตรงข้ามก่อนคือความทุกข์ในพุทธศาสนาเนี่ยก่อนที่จะพูดถึงนิโรดนิโรกคือคือสภาวะที่พ้นทุกข์เนี่ยซึ่งเป็นอริยสัจ ข้อที่สามเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นที่อริสัต์ข้อที่ข้อแรกก่อนก็คือทุกข์เพราะว่าถ้าหากว่าเราเข้าใจเรื่องทุกข์ดีการที่จะเข้าถึงภาวะที่ต้นทุกข์หรือเป็นสุขเนี่ยก็จะเกิดไปได้อพูดถึงทุกข์เนี่ยมันก็มีสองอย่างใหญ่ๆนะั่นคือทุกข์กายกับทุกข์ใจ ทุกกายเนี่ยในศางพทธศาสนาเนี่ยก็ถือว่าสำคัญน้อยกว่าทุกใจที่จริงโดยสมาสนึกเนี่ยพวกเราก็คงเห็นว่าคงจะหนักว่าทุกกายเนี่ยมันไม่ไรแรงเท่ากับทุกใจมันมีคำพูดว่าคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยาก หรือว่าคามพูดที่ว่าจิตเป็นนายกายเป็บ่าความทุกข์กายเนี่ยนมันยังมันเป็นเรื่องที่ยังพอทนไหวแต่ถ้าทุกข์ใจแล้วเนี่ยบางทีก็ถึงกับต้องทำร้ายตัวเองคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ย น้อยรายนะั้นที่เป็นเพราะความทุกขก์ยส่วนใหญ่นี่ก็เพราะความทุกข์ใจแล้วกระทั่งในยุโรปอเมริกาผู้ป่วยที่ขอให้หมอเนี่ยทการยาเคาะเปอร์เซ็นต์น้อยนะที่เขาขอร้องเช่นนั้นเนี่ยเพราะว่าความเจ็บป่วยทางกาย ส่วนใหญ่ล้เป็นพความทุกข์ใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดเรื่องความทุกข์เนี่ยนะเราจะมองข้ามเรื่องความทุกข์ใจไม่ได้เลยโดยเพราะยุปัจจุบันยุปัจจุบันเนี่ยผู้คนเนี่ยมีความทุกข์กายน้อยอันนี้พูดถึงทั่วทวไปนะอย่างพวกเราทุกคนในที่นี้เนี่ยอาตมา เชื่อว่าทุกกายเนี่น้อยแต่ความทุกข์ที่มีเนี่ยมันเป็นความทุกข์ใจเสียมากกว่าไม่เหมือนสมัยก่อนที่ความทุกข์กา ย, ยาเป็นเรื่องธรรมดาสามัญมากเพราะว่าเราไม่มีเทคโนโลยีเราต้องเจอภายอันตรายจากสิงสารสาัตว์ภัยจากธรรมชาติ โรคระบาด ก, นะก็เกิดขึ้นได้ง่ายมากจะทำอะไร ก, ก็ก็ไม่มีเครื่องทุนแรงเหนื่อยกายเป็นเรื่องปกติแค่จะไปทำนานี่ก็ต้อ ง, งเดินนะเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเข้าไปตากแดดนะแต่เพราะเช่นนี้เนี่ยสำหรับคนทุกปัจจุบันมีน้อยลงแต่ความทุกคนเราก็ไม่ได้หายไปเลย ทุ ก, กายน้อยลงแต่ว่าทุกใจยังกลับเพิ่มมากขึ้นโดยสซ้ำและบางครั้งความทุกข์กายเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยทําให้ความทุกข์ใจเนี่ยบางครั้งความสบายกายเนี่ยไม่ได้ช่วยทําให้ความทุกข์ใจลดลงเลยอัตมาเมื่อเดิน2เดือนที่แล้วนีไ่ไปประเทศสวิสก็ได้ไปเยี่ยมเยือนคนไทยที่เมืองเบิร์นเมืองเบอร์นนี่เป็นเมืองหลวงของสวิส ไปชมพิธภัณฑ์แล้วก็เดินเข้าเข้าไปในตัวดาวทาวน์ที่เราโอทาวน์ก็ต้องผ่านสะพานเดินข้ามสะพานสะพานก็สวยเก่าแก่ถือถ่อทัดก้องงามสวิสเนี่ยเป็นประเทศที่แค่ออกจากตัวเมืองไปเนี่ยก็เห็นทัศนียภาพที่สวยงามอย่างง่ายดายมากภาพที่เราเห็นทาง โปสการ์ดเนี่ยนะมันไม่ต้องไปนิรันด์ที่ไหนเลยนะเพียงแค่ออกจากตัวเมืองไปถึงชานไปออกไปอยู่แค่ชานมันก็จะเห็นภาพภูเขาท้องทุ่งเขียวขจีชื่อความอยู่ที่ของคนที่นั่นเนี่ยก็มีความสุขสอดิภาพก็ดีปลอดภัยสอดิการก็ค่อนข้างมันมน่นคงนน่นาเพราะว่า เามีระบบคล้ายๆระบบสวัสดิการในระดัารัตเนี่ยดีมากผู้คนเนี่ยน่าจะมีความสุขแต่ว่าตอนที่เขมาเดินข้ามสภานเนียก็สังเกตว่าเหนือราวสภานเนี่ยมันจะเป็นตะข่ายตะข่ายเหล็กยาวไปตลอดแนวสภาน ตะขายนะสูงปรณห้ามเมตรซึ่งมันทำลายทัศนียภาพมากจะมองออกไปที่แม่น้ำซึ่งเขียวสวยก็มองไม่ได้เพราะว่าติดลวดหนะักลวดะตะขายเหล็กก็ถามคนไทยที่เป็นไกลว่าตะข่ายมีไว้ทำไมเขาก็บอกว่าเอาไว้ ป้องกันให้คนกระโดดลงมาฆ่าตัวตายสพาแล้วน่ยมีคนโดดลงมาฆ่าตัวตายเยอะทั้งที่เมืองเบอร์นี่เป็นเมืองนี่เป็นเมืองที่สงบเป็นเมืองที่น่าจะมีความสุขไดง่ายมันไม่ได้วุ่นวายแบบกรุงเทพเลยนะห่างไกลคนละคนละฟิลลิ่งเลยนะเบอร์อกับกรุงเทพแต่คนฆ่าตัวตายเยอะมากทนั้งที่ ใน ม, มือที่สงบความเป็นอยู่ก็ดีมันแปลว่าอะไมันแปลว่าความสุขกายเนี่ยมันไม่ใช่เป็นหลับปาาระกันของความสุขใจเลยใ น, ในเมืองที่มีสวสิการมีความอยู่ที่ดีเนี่ยผู้คนอาจจะมีความทุกข์มีความรุ่มร้อนในใจมากก็ได้คราวนี้เรามาดูไอความทุกข์ใจเนี่ยนะมันเกิดจากอะไร หลายคนเนี่ยเวลาทุกข์ใจเนี่ยก็มักจะมองไปที่ภายนอกว่าเป็นสาเหตุเช่นเจ้านายไม่น่ารักเพื่อนร่วมงนานเอาเปรียบหรือว่าคู่รักเขาทรยศหักหลังนะไปมีกิก๊กหรือว่าเพื่อนโกงเงินนะอาจจะลงไปถึงคำต่อว่ า, าดาทอเพาวะาเศรษฐกิจที่วิกฤต ที่ไม่ไม่แน่นอนฝนแรงลิมฝ้ากาศที่ไม่เป็นใจผู้คนในเวลามีความทุกข์ใจเนี่ยมักจะโทษสิ่งภายนอกแต่ที่จริงแล้วเนี่ยปัจจัยนึงที่สำคัญนะที่คนมักจะมองข้าวคือใจของเราใจของเราเป็นตัวการที่สำคัญไม่น้อยเลยเราคงเคยได้ยินคำว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังใช่ไหมฮะ สัมนวนนี้สําคัญมากเลยนะตร ง, งมือขันเหนือใบด่างเนี่ยความหมายทั่วทัไปก็คือว่าทําฝ่ายเดียวย่อมไม่เกิดผลยกตัวอย่างเช่นการทะเลาะกันเนี่ยนะการทราระเลาะบ่อแวงกันการทะเลาะวิวาสกันเกิดขึ้นได้เนี่ยทั้งสองฝ่ายต้องต้องร่วมมือด้ว ย, ยนะถ้าฝ่ายหนึงดายฝ่ายหนึ่งเงียบการทะเลาะวิวาสเกิดขึ้นไม่ได้แต่ทะเลาะวิวาสได้เนี่ยทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วม ถึงเรียกว่ามันต้องตกบนสองข้างถึงจะดังสำนวนนี้เนี่ยมันมีความหมายไม่ใช่ครอบคุมหรือจํากัดเฉพาะการทะเลาะเบาแหวงแต่ว่ามันยังรวมไปถึงเรื่องของความสุขและความทุกข์ด้วยความสุขเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปใจใัจจัยภายนอกเดียวเกต้องต้องขึ้นอยู่กับใจของเราด้วย หลายคนคิดว่าเออถ้าได้ดูหนังฟังเพลงจะมีความสุขถ้าได้ไปไปดูคอนเสิร์ตจะมีความสุขถ้าได้ไปเที่ยวที่อเมริกาไปไปถึงสวิสถึงจะมีความสุขแต่จริงๆเนี่ยเทานั้นไม่พอนะใจเราต้องเพื่ออำนวยด้วยใจเราต้องเออ อ, อหรือว่าเพื่อกูรด้วยคุณกินอาหารราคาเป็นหมื่นเป็นแสน แต่ถ้าใจยังกำลังวิตกกังวลเรื่องลูกกาลังกังวลเรื่องสามีกําลังโมโหเรื่องแฟนเนี่ยกินอาหารอร่อยไหมมีความสุขไหมคุณจะซื้อตั๋วราคาเป็นหมื่นดูคอนเสิร์ตนะโดยนักร้องโดยศิลปินชื่อดังเนี่ยแต่ถ้าคุณวิตกกังวลเรื่องงานคุณเพิ่งสูญเสียคนรักไปเนี่ยฟังเพลงมีความสุขไหมคุณจะไปเที่ยวถึงอเมริกาถึงยุโรปเนี่ย หมดเงินไปเป็นหลายหมื่นนะแต่ใจกังวลใจวิตกเรื่องลูกนะว่าจะสอบเข้มเามหาทยาลัยได้ไหมหรือเพิ่งได้ข่าวว่าพ่อป่วยหมอตรวจพบเป็นมะเร็งเนี่ยคุณเที่ยวแล้วมีความสุขหมไ ม, ม่มันจะไม่มีความสุขเลยนะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะกินอาหารที่อร่อยฟังเพลงเพราะไปเที่ยวไหนก็ตามถ้าใจเนี่ยคุณไม่เออออด้วยเนี่ยมันก็ไม่มีความสุข นั้นเพียงแค่ได้เสพนันเพียงแค่ได้ได้ได้เสพได้ครอบครองสิ่งที่น่าพอใจเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคุณจะมีความสุขสันทีมันต้องอาศัยปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือใจความทุกข์ก็เหมือนกันแม้จะโดนต่อว่าด่าทอแม้จะเจ็บป่วยแม้จะสูญเสียเงนินทอง มันก็จะแปลว่าจะต้องทุกข์โดยอัตโนมัติหลายคนเนี่ยเขาเจ็บปวดเป็นมะเร็งแต่ทำไมเขายิ้มได้เพื่อนอาตมาเนี่ยเป็นมะเร็งตนนมถ้าเธอก็เสียชีวิตไปแล้วเธอพูดเคยพูดว่าเมื่อเธอเคยพูดว่าสองสามปีสุดท้ายของชีวิตเธอเนี่ยมันเป็นช่วงที่เธอมีความสุขมากสุขมากกว่าตอนที่ยังไม่ปวดเป็นมะเร็งอีก ทำไมคนบางคนเนี่ยถูกวิจาร์แต่เขายิ้มได้ถูกต่อว่าด่าทอเขาก็ไม่ได้หัวฟาถูัวเบี้ยทำไมคนบางคนเนี่ยเขาถูกเพื่อนโกงเขาเสียเงินไปอาจจะโดนน้ำท่วมถูกน้ำพัดาพาสมบัติถูกน้ำพัดาพาไปปีห้าสี่แต่เขาก็ไม่ได้ตีอกชกหัวทำไมบางคนเป็นมะเร็ง เขาตอ บ, บอกว่าขอบคุณหรือโชคดีที่เป็นมะเร็งแต่ทําไมบางคนเพียงแค่มีสื่อไม่กี่ไม่ดบนใบหน้ากับจะเป็นจะตายให้ได้นะมันแปลว่าอะมันแปลว่าความทุกข์ใจเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราแต่มันอยู่ที่ว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไรหลายคนที่เป็นมะเร็ง เขายิ้มได้เพราะเขาอาจจะเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าของมะเร็งถึงบอกว่าขอบคุณที่เป็นมะเร็งเพราะมะเร็งทำให้เขาได้พบธรรมะมะเร็งทำให้เขาได้พบว่าเขาอยู่เพื่ออะไรทำให้เขาได้พบความสุขที่ประเสริฐกว่าตอนที่ไม่ได้เป็นมะเร็งซะอีกแต่คนที่ เป็นเพียงแค่มีสิวไม่กี่เม็ดนะแต่ว่าพินไม่ได้นอนไม่หลับนะบางคนถึงกับคิดจะฆ่าตัวตายเนี่ยความทุกข์ของเขามไม่ใช่เพียงเพราะสิวมากเท่ากับความรู้สึกต่อต้านเกลียดชังรังเกียจสิวไม่กี่เม็ดบนใบหน้าเท่านั้น ความทุกใจนะถ้าเราดูให้ดีๆนะมันไม่ได้มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกมากเท่ากับใจที่วางไว้ไม่ถูกสมมติมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาในห้องหรือว่ามีคนโทรศัพท์คนคุยโทรศัพท์กันนะในห้องนี้เนี่ยในขณที่เราบรรยาย บางที่เสียงโทรศัพท์เนี่ยนะมันก็ไม่มก็ไม่ดังเท่าไหร่นะแล้วแถมเสียงลิงโทนก็เพาะด้วยแต่ทันทีที่ใจเราเนี่ยไปจดจ่ออยู่ที่เสียงนั้นแล้วก็ผลักไสต่อต้านไม่ชอบเสียงนั้นเนี่ยใจเราทุกเลยเสียงเพลงเฉเพราะเสียงลิงโทนจะไพเราะแต่พอใจเนี่ยนะ ไปจดจ่อยึดติดอยู่ที่เสียงนั้นแล้วก็พยายามผลักใส่เสียงนั้นทำไมเขาไม่ผิดโทรศัพท์ทำไมเข า, เาคุยโทรศัพท์กันในห้องตรงนี้แหละทุกทันทีเลยไม่ได้ทุกพ้อเสียงเพลงนะแต่ทุกข้อใจเนี่ยผลักใส่ จะแก้ทุกอย่างไรจะแก้ความหุหงิดอย่างไรหลายคนคิดว่าความหุหงิดจะหายไปเมื่อเสียงนั้นหายเสียงนั้นสงบหรือว่าเจ้าของโทรศัพท์นั้นปิดเครื่องแต่ถึงแม้เขาไม่ปิดถึงแม้เสียงดังอยู่ใจเราก็สงบได้ถ้าหากว่าเราวางใจเป็นเช่นปล่อยวางไม่สนใจเสียงนั้น ผู้คนไม่ค่อยได้ได้ตระหนักนะว่าไอ้ความสาเหตุที่แท้ของความทุกข์ใจเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่สิ่อ่อยู่ที่ใจของเราเคยมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับหลวงปูป่บุดาหลวงปูป่บุดาถาวอโรท่านมรณภาพภาพไปเปไมื่อ20ีที่แล้วตอนมรณภาพาท่านก็อายุประมาณร้อยึงปีมีครั้งนึงโยมเพื่ น, นิมนต์ให้ท่านไปนิมนต์ท่านมารับ ับมาฉันเพลที่กรุงเทพท่านฉันเพลเสร็จจะกลับ ว, วัดวัดท่านอยู่สิงบุรีโยมก็อยากจะให้ท่านพักก่อนเพราะว่าสิงบุรีอยู่ไกลสมัยนั้นนะ50ิปีที่แล้วเนี่ยท่านก็ชราละก็จัดห้องให้ท่านเนี่ยพัก แล้วก็มีลูกศิษย์ประมาณสี่ห้าคนเนี่ยนั่งเป็นเพื่อนเวลาลูกศิษย์จะคุยกันก็กระซิบกรทราบกันไม่อยากรบกวนหลวงปูบ่บุดาแต่บอกว่าไอ้ห้องข้า ง, างเนี่ยห้องที่ติด ก, กันเนี่ยคือเป็นตึกแถวในห้องที่ติด ก, กันเนี่ยมันเป็นร้านโชว์หวยร้านขายของชำเจ้าของเนี่ยเป็นอาิีง คนที่สมัยก่อนนะสิบปีที่แล้วเนี่ยก็สวนเกีย๊ยวเขาไม่ไดสวนของเท้ายางอาตมานี่ความเด็กกันทันสวนเกี๊ยวเลยเกียวไม้เกีย๊ยวไม้เวลาเดินนี่มันดังเสียงก็ดังเข้ามาในห้องที่หลวงปู่วดาเองกายอู่ลูกศิษก็ไม่พอใจก็บ่นขึ้นมาว่าเนี่ยเดินเสียงดังจังเลยไม่เก ร, ในในในรงใจกันหลวงปู่ถ้าหลับตาแต่ท่านไม่ได้จำวัดท่านก็ได้ยินก็เลยเปลยเป ล, ย, เปลยขึ้นมาเบาๆมับบนบอกว่าเนี่ย เขาเจอเขาอยู่ดีๆเราหูไปรองเกี้ยเขาเองนะเสียงไม่ทําให้ทุกข์เสียงไม่ทําให้หงุดหงิดแต่ที่มีหงิดเพราะเอาหูไปรองเกี้ยใช่ไหมแล้หูไปรองเกี้ยเพราะอะไรก็เพราะว่าไม่มีสติปล่อยใจให้ไปให้ไปจดจ่อยที่เสียงนั้นก็เลยเหมือนกับว่าเอาหูไปรองเกี้ยเห็นไหมเสียงเนี่ย สิ่งเกีเองเนี่ยมันไม่ทำให้ใหทุกข์หรอกแต่ที่ทุกข์ใจเพราะว่าเอาหูไปรองเกีย้ยหรือว่าเพราะว่าหูเนี่ยไม่มีสติกำกับเพราะฉะนั้นเนี่ย เ, เวลาเราเวลาเรามีความทุกข์ใจเนี่ยก่อนที่จะไปโทษสิ่งภายนอกเนี่ยต้องกลับมาดูที่ใจเราว่ามันเป็นสาเหตุมันเป็นตัวการหรือเปล่า ผูเจ้าจาดว่ามือที่ไม่มีแผลจับต้องยาพิษก็ไม่เป็นอันตรายแต่ถ้ามือมีแผลเมื่อไหร่ไปถูกยาพิษเข้านะอันตรายก็เกิดขึ้นกับชีวิตทันทีปัจจัยสำคัญคืออะไรปัจจัยสำคัญคือมือมีแผลก็ ตัวการสําคัญไม่ใช่ยากทิษแต่ตัวการสําคัญที่ทําให้ัเป็นอันตรายก็คือมือที่มีแผลยากทิษก็เหมือนกับปัญหาภายนอกส่วนมือที่มีแผลคือหมายถึงจิตนะที่ที่วางไว้ไม่ถูกหรือว่าไม่มีการระมัดระวังจิตใจ คนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเจอแต่สิ่งที่ถูกใจไปได้ตลอดบางครั้งเราก็ต้องอยู่ท่ามกลางสิ่งที่ไม่ถูกใจแดนร้อนฝนแระเพื่อรวม ง, งานไม่น่ารักหรือว่าเสียงดังนะแต่ถ้าใจเราเนี่ยนะเป็นปกติใจเราเนี่ยมีเรียกว่าธรรมะเป็นเครื่องรักษา มันก็เหมือนกับยาพิดเนี่ยมันเข้ามันไม่สามารถจะเข้าไปในร่างกายได้เพราะว่ามือไม่มีแผลใจของเราเนี่ยนนะถ้าว่าเราดูรักษาใจดีนะไอ้ความทุกข์เนี่ยจากข้างนอกเนี่ยเหตุปัจจัยจากข้างนอกเนี่ยก็ไม่สามารถจะมาทำร้ายเราได้ แต่ถ้าเมื่อใดที่เราทุกเนี่ยมันแปลว่าใจเราเนี่ยนะไปเปิดช่องให้ความทุกเนี่ยมันเข้ามาเล่นงานจิตใจของเราอาตอมาอยากจะพูดว่าไม่มีใครขโมวลความสุขไปจับใจเราได้ถ้าใจเราไม่ร่วมมือถ้าใจเราไม่เปิดช่อง ใครก็จะโกงเงินเราไปใครก็จะขโมยทรัพย์สมบัติของเราไปเขาทำได้อย่างมากคือทำให้เราสูญเสียทรัพย์สมบัติเหล่านั้นแต่ไม่สามารถทำให้เราเสียใจไม่สามารถทำให้เรากัดตุ่นใจได้มีคนเดียวชนะที่ทำให้เรากัดตุมใจได้ก็คือตัวเราเพื่อถูกต้องติดใจ ที่วางมันไม่ถูกอาจารย์เชาซาโรเนี่ยท่านพูดไว้ดีนะอาจารย์เชาซาโรท่านเป็น พ, พระฝรั่งท่านบอกว่าไม่มีใครไม่มีอะไรที่จะบังคับให้เราทุกข์ใจได้ไม่มีอะไรที่จะมาบังคับให้เราไม่พอใจได้หรือขัดเกลือนใจ มันมีแต่สิ่งที่มาชวนให้เราทุกชวนให้เราไม่พอใจเมื่อเขาชวนแล้วเมื่อเขาเชิญแล้วเนี่ยอยู่ที่ว่าเราจะรับคาเชิญคาชวนนั้นหรือเปล่าถ้าเรารับคาชวนนั้นแล้วเกิดทุกข์ขึ้นมาเกิดไม่พอใจขึ้นมาเราจะโทษใครคนระับเขาไม่ได้บังคับเราเขาแค่ชวนเสียงดังเนี่ยนะ ไม่ได้บังคับให้เราโกรดไม่ได้บังคับให้เรางกรธแค่ชวนให้เราไม่พอใจถ้าเรารับคำเชิญรับคำชวนเนี่ยเราจะโทษใครนะบางคนเนี่ยเงินหายเขาก็ปล่อยวางได้มีผู้หญิงคนหนึ่งนะ ถูกโกงมปหกสิบล้านโอทั้งสามีภรรยานี่กลัดกลุ้มใจเสียใจทั้งโมโหแต่ว่าสามันต่อมาภรรยาก็ยิ้มได้เพื่อก็แปกใจถามว่าเธอยิ้มได้ยังไงได้เงินคืนแล้วเหรอยังไม่ได้เงินคืนแล้วทำไมถึงยิ้มได้ สามีเธอเนี่ยยังเสียใจอยู่เลยเธอตอบดีเธอก็บอกว่าเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยฉันก็ยังยังมีอาหารกินอาหารอร่อยๆกินนะยังมีบ้านยัง ม, มีที่หลับที่นอนที่สบายคือบ้านเธอเป็นคือเรื่องหาแล้วนะทุกวันนี้ฉันก็ยังมีกินนะอร่อยหลับก็สบายแลแ้วจะทุกไปทําไม คือความสุ่เธอเนี่ยส้านเนี่ยคือตัวเลขมันไม่ทําทให้ชื่นหกสร้านที่หายไปไม่ไทํให้ชื่เธอแย่ลงเลยเธอก็ยังมีชีวิตที่สุขสบายเหมือนเดิมแล้วจะทุกไปทำไมแต่บางคนเนี่ยนะทำไมพอเงินหายถูกโกงกินไม่ได้นอนไม่หลับมีครูคนหนึ่ถงถูกโกง เ, เป็นแสนนะทั้งแค้นทั้งโมโหทั้งกรัดภุ่มใจ ไม่ยอมกินไม่ยอมนอนแม่นี้ขอร้องให้กินเินให้นอนเถินให้พักผ่อนเธอก็ไม่ยอมเหมือนกับอยากจะทรมาน ต, ตัวเองคนเรานี่ก็แปลกนะเวลาเรามักจะพูดว่าเรารักตัวเองรักตัวเองแต่กรณีแบบนี้แสดงให้เห็นเลยนะว่าไม่ได้รักตัวเองนะรักเงินมากกว่าพอเงินหายไปเลยทุก ถึงขั้นที่ยอมที่จะปล่อยให้ตัวเองเนี่ยสุขภาพย่ำแย่คนเราทาลักตัวเองแล้วก็ต้องกินต้องนอนต้องพักผ่อนแต่ส่วนใหญ่เราลักเงินเงินหายเราเลยทุกแล้วเราปล่อยให้ร่างกายย่ำแย่แต่ก็ดีนัที่ผ่านไปเป็นเดือนใน้เธอเริ่มทําใจได้ล้วสองคนสองคนที่ต่างกันเลยนะคนหนึ่งหกสิบล้านถูกโก่ไป แต่ไม่กี่วันก็กลับมายิ้มได้เพราะเขารู้จักมองว่าเออชีวิตฉันยังมีความสุขยังสบายแล้วจะทุกข์ไปทำไมอีกคนนึงนะเอาแต่แ ก, กระตุ้มเพราะไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางพอไม่ปล่อยไม่วางนะแทนที่จะเสียเงินอย่างเดียว น, นะก็เสียความสุขเสียใจ พอเสียใจแล้วเนี่ยก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเสียสุขภาพอีกแล้วพอหงุดหงิดพอกลุ้มอกกลุ้มใจก็ไม่มีสมาธิทํางานก็เสียงานแล้วความหงุดหงิดนั้นก็พอยทาให้เวลาเพื่อนมาหยอกล้อเพื่อนมาคุยเล่นก็โมโหโกรธเพื่อนด่าเพื่อนเสียเพื่อนนีกบางทีก็ระบายใส่พ่อแม่ใส่คนรัก ใส่รูปก็เสียสมรรถภาพคนที่โกงเงินนะเขาทําได้อย่างมากก็คือแค่โกงเงินเราไปแต่เขาไม่สามารถทําให้เราเสียใจเสียสุขภาพเสียงานเสียเคพื่อนได้มีคนเดียวที่ทําได้คือตัวเราและที่ทําได้ชนะก็เพราะใจเนี่ยที่ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมว่า ก็การเป็นการทำลายตัวเองไม่มีใครทําร้ายเราได้พระเจ้าตรัสว่าคนพ่านปัญญาสามเนี่ยย่อมทํากับตัวเองเหมือนเป็นศัตรูคนพ่านปัญญาสามเนี่ยย่อมทํากับตัวเนี่ยเหมือนเป็นศัตรูก็คือทำํำลายตัวเองคนเราทำรํำลายตัวได้หลายแบบนะอย่างหยับยาคือว่าไปกินเหล้าเมายาติดเฮโร อ, อีนนะ หรือไปทำชั่วผิดศีลอันนี้เราทำรายตัวเองเพราะว่าสุดท้ายวิบากกรรมก็จะสะท้อนกลับมาที่ตัวเองแต่การทำลายตัวเองที่ละเอียดไปกว่านั้นก็คือการที่ปล่อยให้ความทุกข์ความโกรธความเศร้าความเกลียดมันเผาลนบีดคัน้นกรีดแทงจิตใจ เหตุร้ายเนี่ยถ้าเรายิ่งนึกถึงมันก็ยิ่งบั่นทอนจิตใจเราไม่ว่าจะเป็นการถูกโกงเพื่อนหักหลังหรือว่ามีคนตอาว่ายิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์ใช่ไยิ่งคิดก็ยิ่งโกรธยิ่งคิดก็ยิ่งเศร้าแต่ทำไมนะเราถือม่ยอมปล่อย ทำไมเราจะไปคิดถึงมันอยู่เรื่อยๆ อ, อันนี้เรียกว่าทำร้ายตัวเองนะเพราะก็น่าจะรู้ว่ายิ่งคิดถึงมันก็ยิ่งทุกข์ยิ่งเศร้ายิ่งโกรธจนอาจจะจ็ป่วยอาจจะความดานันขึ้นอาจจะเป็นโรคกระเพาะถ้ารักตัวเองนะก็ต้องรู้จักปล่อยมันออกไปปล่อยมันไปจากใจกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ ทั้งหมดนี่ที่พูดมาเนี่ยเพื่อชี้เห็นว่าความทุกข์โดยเฉพาะทุกข์ใจเนี่ยนะมันตัวการสําคัญเนี่ยก็อยู่ที่ท่าทีหรือการวางใจของเราไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นนะเหตุแห่งทุกข์อยู่ที่ใจแล้วขณะเดียวกันเราจะพบสุขได้ก็พบสุขได้ที่ใจเราเหมือนกัน ทุกแท้เนี่ยต้องแก้ที่ใจและถ้าอยากพบความสุขก็หาได้ที่ใจเราไม่ว่าและเราสามารถจะพบสุขได้แม้ว่าจะเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่น่านพอใจเจอกับความสูญเสียความพัดพลาดความเจ็บป่วยหรือว่าคำต่อว่าดาทอ สิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถทำให้เราทุกข์ใจได้ถ้าว่าเราวางใจได้ถูกต้องวางใจถูกต้องที่ทำอย่างไรนะข้อแรกเลยคือว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องยอมรับมันการยอมรับว่ามันคือความจริงที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะช่วยทำให้ความทุกข์ใจเนี่ยมันลดลงเป็นเยอะเมื่อกี้ตามะก็พูดไปแล้วนะว่าเวลามีเสียงโทรศัพท์ดังเนี่ยแม่รีโทนมันจะเพาะ แต่เราจะทุกทันทีเมื่อใจเราผลักใสเราใจใจเราปราฏิเสธต่อเสียงนั้นใจเรามีความจริงช่างไม่พอใจเสียงนั้นเราทุกทันทีเหตุร<อ>้ายใดๆก็ตามเหตุใดมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะ ถ้าว่าระวังใจเริ่มต้นด้วยการยอมรับความจริงยอมรับว่ามันคือความจริงที่เกิดขึ้นแล้วคือไม่โผนไม่โวยวายไม่ตีโพยตีพายเนี่ยความทุกข์จะลดไปเยอะเช่นเวลาจะป่วยเนี่ยนะทั้งที่ป่วยหมอพูดว่าเป็นมะเร็งเนี่ยแต่ทันทีที่เราวิตกกังวลโวยวายตีโพยตีพายทำไมต้องเป็นชั้นเนี่ยอันนี้ซ้ําเติมตัวเองเลยนะทําให้ใจเป็นทุกข์ แต่ถ้าเกิดใจเรายอมรับมันได้นะไอ้ความทุกข์ใจมันจะลดลงไปเยอะมันก็มีเหลือแต่ความทุกข์กายแต่บางทีความทุกข์กายก็ยังไม่ปรากฏเลยซ้ำเพราะว่าอาการความเจ็บปวดยังไม่แสดงตัวออกมามีคนมีผู้หญิงคนหนึ่งนะแกเป็นแกเป็นเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพมาก กินอาหารสุขภาพแมคโรไบโอติกชีวจิตสาหรไหลเวลทองแอนตี้ออกซิแดนตนะ์อะไรทั้งหลายโปรที่ช่วยทำให้ไม่เป็นมะเร็งเพื่อทำให้สุขภาพดีเนี่ยนะไม่เป็นไม่ไม่ช่วยไม่ทำให้เป็นโรคเรื้อรังเช่นโรคหัวใจเบาหวานเนี่ยแกแ ก, ก็กินหมดถามันหมดออกกำลังกายด้วยนะั่จ็อกกิ้งด้วยความเชื่อว่ามันทำให้แกมีสุขภาพดีมีอายุยืนนาน ไม่เป็นมะเร็งรบอกว่าวันเธอพวกตัวเองเป็นมะเร็งโกรธมากทำใจไม่ได้รู้สึกว่าถูกทรอยศถูกหักหลังนะติดจใจเธอได้มี้วยความโกรธมีความกราดเกลียวระบายความโกรธใส่หมอใส่พยาบาล และตอดเวลาที่รัตัวเนี่ยไม่มีความสงบใจเลยจนกระทั่งวันที่เธอตายเธอก็ตายไม่สงบจะมีมาดูอีกผู้ชายคนหนึ่งเป็นมะเร็งที่ที่ใบหน้าเป็นมะเร็งที่ใบหน้าเนี่ยมันปวดมากเลยนะมะเร็งเนี่ย แผลนี่มันกินไปถึงจมูกแล้วก็ริมฝีปากมะเร็งใบหน้าเนี่ยมันสร้างความปวดกายและปวดใจมากเพราะว่าออกไปข้างนอกก็ไม่อให้คนเห็นแล้วก็ออกไปไม่ได้ด้วยเพราะว่าเจอแดดแล้วเนี่ยนะมันจะทําให้ปวดมากแล้ว ร, ระบบสายมันมันจะมีปฏิกิริยามากกับแสงต้องเก็บตัวอยู่ในห้อง มีม่านพรางแสงเอาไว้ก็เรียกว่าแทบตัดขาดจากโลกภายนอกเลยนะแล้วลองคิดดูนะคนที่อยู่ในสภาพเช่นนี้เนี่ยเขาจะมีความสุขไหมปวทั้งกายทุกทั้งใจในอเมริกาเนี่ยคนที่เป็นมะเร็งปากใบหน้าเนี่ย่าตัวตายหนึ่งในสี่้เปอผู้หญิงหมอคนหนึ่งเนี่ยจะรับมอบหมายให้ไปเยี่ยมคนไข้คนนี้จะก็ขอดูขอดูขอดูโปรไฟล์ดูประวัติ profile, เห็นแล้วก็หนักใจนะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะรับมือกับคนไข้แบบนี้ยังไงเพราะคนคไข้นีมีปัญหาทางอารมณ์มากแต่พอไปถึงบ้านเนี่ยก็ประหลาดใจเพราะว่าคนไข้เนี่ยโอภาราปล่ายดีไปยกแลรว่งที่ถามคือหมอเป็นยังไงสบายดีไหมทั้ทงที่เพิ่งรู้จักกันแทนที่จะถามว่าหมอมาทำไมจะถามหมอสบายดีไหมคนไข้เนี่ยก็ดูท่าทางก็โอภารเปล่าใดี พูดไปพูกก็เล่าว่าเนี่ยเมื่อตอนแกยังวัยรุ่นเนี่ยแกกินเหล้าเมายาสั ม, มะเลเทเมามากทั้งเหล้าทั้งยาบุรีมีครอบครัวก็ต้องเลิกกันลูกต้องไปอยู่กับภรรยาแกพูดไปแกก็เหมือนกับว่าแกยอมรับว่าเนี่ยที่แกเป็นมะเร็งผมก็คงเพาะชีวิตแบบนี้การใช้ชีวิตแบบนี้พฤติกรรมเสียงแต่ว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้แกเนี่ยไม่ทุกข์ทรมารกับโรคเนี่ยคือปวดก็ปวดนะัแต่ว่าแกไม่ได้มีอารมณ์ผิดผิดหัวเสียกับมันเลยแกบอกว่าวันๆแกไม่ค่อยได้ทำอะไรนอกจากว่ารู้แล้วแกว่านั่งดูโทรทัศน์และช่องที่แกดูกั็นพิเศษคือช่องเ n ียนเอ็นเซียนอก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมันก็มีข่าวเกี่ยวกับภยัยพิบัติภัยธรรมชาติ แผ่นดินไว้โรคระบาดน้ำท่วมสงครามการก่อการร้ายโรคระบาดแกดูไปดูปแกก็ได้คิดขึ้นมาว่าความทุกข์นี่นะมันเป็นธรรมดาของมนุษย์เลยมนุษย์เราทุกชาติทุกราสารนี่มันนีทุกข์ไม่พ้นอยู่ที่ว่าจะเป็นทุกข์แบบไหนไม่ว่ารวยหรือจนผิวขาวหรือผิวตำพอแกมองไปที่แกก็ มองย้อนกลับไปที่ตัวเองว่าไอ้ความทุกข์ของแกนี่คือมะเร็งเนี่ยนะมันก็มันก็เป็นส่วนของความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับลุเชียชาติคือมันเป็นธรรมดาแกพอแกมองเห็นแบบนี้แกแกก็ยอมรับทุกข์ของแกได้ยอมรับความเจ็บปวดของ แ, แล้วว่ามันเป็นธรรมดามันช่วยทำให้แกเนี่ยไม่ไม่ทุรนทุรายแกก็อยู่กับมันได้ แกไม่โบยไม่ไม่ตีโพลตีพายกับอะไรทั้งสิ้นแกก็หวังอย่างเพียงเดียวว่าจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดให้นาที่สุดเพื่อว่าจะได้มีเวลาอยู่กับลูกนา น, านเพราะมไม่ได้อยู่กับลูกเลยหมอบอกว่าแกอยู่ได้ประมาณสีหกเดือนแกอยู่ได้เป็นปีเลยนะตอนที่แกป่วยแกก็ไม่ไม่ไม่หงุดหงิด ไ, ไม่กราดเกลี้ยวและตอนตายแกก็ตายสงบ สคนเนี่ยเทียบตมามพูดนี้ต่างกันเลยนะต่างกันตรงไหนนะต่างกันตรงที่ความรู้สึกต่อโรคคนหนึ่งยอมรับไม่ได้คนนั้นคิว่าฉันทําไมต้องเป็นฉันแต่อีกคนนึงบอกว่าเออมันเป็นธรรมดาอาจจะนึกอาจจะคิดไปได้ซว่าทำไมจะเป็นฉันไม่ได้เพราะใครๆเขก็เป็นกันนี่คือความยอมรับนะพอยอมรับเสียได้เนี่ยมันช่วยทําให้ ความทุกข์ใจมันน้อยลงเงินหายถูกโกงก็ถือเป็นธรรมดายอมรับได้พอเรายอมรับได้เนี่ยการปล่อยวางจะเป็นเรื่อนได้แต่ถ้ายอมรับไม่ได้เนี่ยโอ้มันจะมันจะมามันจะเกิดความยึดติดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการ การทำใจยอมรับเนี่ยสำคัญมากทีเดียวนะในสายพุทธ ก, การเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งนะชื่อกีสาโคตมีเธอเป็นคนฉลาดแล้วได้ครอบครัวที่ดีมีลูกลูกก็น่ารักแต่ว่าเหตุรายก็เกิดขึ้นพอลูกเธออายุได้สามสามสี่ขวบ สองสางขวเท่านั้นแหะนะลูกเธอก็ตายกะทันทันเธอทําใจไม่ได้อุ้มศอบลูกเนี่ยไปให้ใครต่อใครเนี่ยช่วยฟื้นช่วยปลูกให้ฟื้นขึ้นมานะธรรมชาติคนละพอสูญเสียมันปฏิเสธนะดินนเอายอมรับไม่ได้ยังมีความวังว่าลูกว่าลูกจะฟื้นขึ้นมาได้ไปขอให้ใครต่อใครช่วยปลูกให้ฟื้นทุกคนก็สายเัวก็บอกว่าลูกเธอตายแล้วเธอไม่ยอมรับวยเลยมีคนจึงบอกว่าไปหาผู้ร เ, เจ้าสิ เธอก็ดีใจอุ้มศพลูกไปพูเจ้าเนี่พอเห็นนางกิสาขตมีก็รู้เลยว่าสอนธรรมะไม่ได้เพราะว่าใจถึงปิดลับพระเจ้าก็เลยบอกว่าเนี่ยเราช่วยเธอได้ถ้าเธอไปหาเมตผักกาดจากบ้านที่ไม่มีคนตายนางก็ดีใจเนี่ยรีบรีบอุ้มศพลูกเนี่ยไปที่เข้าไปในเมืองถามแต่ละบ้านแต่ละบ้านว่า มีไม้ผักกาดไหมทุกบ้านมีไม้ผักกาดหมดแต่เราถามว่ามีคนตายหรือเปล่าทุกบ้านมีคนตายเสียพ่อเสียแม่บ้างเสียลูกเสียภรรยาสามีบ้างบ้านนั้นก็นเสียบ้านนี้ก็เสียนะชรนา่าชรนา่าเธอก็เริ่มเห็นเลยนะว่าเออความตายมันเกิดขึ้นกับทุกบ้านทุกครอบครัวนะมันไม่ใช่ค น, มนไม่ใช่เธอเท่านั้นที่สูญเสีย เธอเพอว่าความตายเนี่ยมันเกิดขึ้นกับทุกคนเธอก็อเริ่มห็นว่าความสูญเสียและความตายเป็นเรื่องธรรมดาใจก็ยอมรับได้พระใจ ย, ยอมรับได้เนี่ยนะความเศร้าโศกก็คลายลงยอมรับแต่ว่ารู้ตัวเองตายแล้วก็เอาลูกตังไปไปเผาที่ปา่าช้าเสร็จแล้วก็กลับมาเฝ้าพรุทธเจ้าทานิพุทธเจ้าเนี่ยรู้แล้วว่านางเนี่ย ใจเริ่มเปิดแล้วก็เลยแสดงธรรมสั้นๆ ว, ว่ามรตยูเนี่ยย่อมพาเอาผู้ที่หลงไหลในลูกในทรัพย์สมบัติหรือว่าคล้องติดในอารมณ์เนี่ยเหมือนกับน้ำป่าที่พัดพาผู้ที่หลับไหลไปชนนั้นคือดลังพิจารณาตามนะและจากประสบการณ์ที่ตัวเองเจอเองถึงเรื่องความพรงาพลาเพราะความยึดติดเนี่ยมันทำให้เธอได้เห็นนะ ธรรมดาของชีวิตและโทษของความยึดติดว่ามันเป็นสิ่งที่สวนทางความเป็นจริง mm hmm. พอพิจารณาตามปัญญาก็เกิดนะเป็นพระโสดาบันเลย mm hmm. เมื่อสักครู่เมื่อสอสามชั่วโมงที่แล้นี่ยังเป็นเทียนอยู่เลย <c oughs> ตอนนี้เป็นพระริยเจ้าแล้ว <c oughs> แต่ประเด็นคือว่านางเนี่ยคลี่คลายจากความทุกข์เพราะอะไร mm hmm. เพราะการที่ยอมรับยอมรับว่ารูกตายแล้วยอมรับความจริง ้การยอรับความจริงเนี่ยนะมันช่วยทำให้เราเนี่ยช่วยให้ความทุกข์ใจจากเหนุร้ายมันคล่คลายลงเราไม่ต้องรอเราไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องรอให้สูญเสียนักหนักก็ได้เวลาเราเจออะไรที่ เ, เคยไม่ถูกใจมา ก, ก่อนเช่นรถติดเสียงดังนะ กลงคืนจะนอนเนี่ยก็มีเสียงดังเสียงรถแว้นเสียงรถซิ่งพอใจเราปฏิเสธมันนะผักสายมันนะเราจะนอนหลับได้ยากมากแต่เราถ้าลองทำใจเออมันดังก็ดังไปเราไม่โวยไม่โวยวายไม่ตีโวยตีภายเนี่ยความทุกข์มันจะลดลงแล้วก็อาจจะหลับได้ง่ายการย้อนที่เป็นข้อทีขอ่ข้อหนึ่งเลยนะการวางใจข้อที่สองเนี่ย ซึ่งอาจช่วยทำให้เรายอมรับได้ดีขึ้นก็คือการมองเห็นแง่บวกการมองแง่บวกเนี่ยนะไม่ได้หมายความว่าอนาคตข้างหน้าจะสดใสช่วยชุ่นชั่วานนะเดี๋ยนี้คาว่ามองแง่บวกมีความหมายหลายอย่างเวลาเวลาใครพูดว่ามองแง่บวกต้องถ้าต้องก่อนว่าเขาหมายความว่าอย่างไรความหมายของเขาหมาคือว่าการมองให้เห็นว่าการไม่มองแต่สิ่งที่มันแย่ แต่มองเห็นสิ่งดีๆด้ดวยไม่มองเห็นแต่สิ่งที่หายไปแต่มองถึงสิ่งที่เรามีอยู่ตัวอย่างที่อาตมาพูดเมื่อกี้นี้เนี่ยเศรษฐีนี่ที่สูญเสียเงินไปหกสิล้านที่ถูกโกงเนี่ยถ้าแกจะถ้าแก จ, จดจ่ออยู่แต่ไอ้หกสิบล้านที่เสียไปนะั้นเธอจะทุกข์มากเลยแต่พอเธอมานึกถึงว่าเออเธอก็ยังมีอะไรต่ออะไรมากมายยังมีสิ่งดีๆมากมายอยีกเนี่ย ยังมีอาหารที่อร่อยยังมีเครื่องหาที่หลับนอนได้สบายเธอก็คลายจากความความความความเศร้าโศก ค, ความเสียใจมองแง่บุญเนี่ยอธิบายง่ายๆนะโดยการเล่าเรื่องราวของครูคนหนึ่งครูคนหนึ่งวันนึ่งเนี่ยแกก็นักเรีนเป็นครูประถมนะวันนึงก็ชูก ร, ระดาษ สีขาวให้นักเรียนแล้วก็ถามว่านักเรียนเห็นอะไรคือก็คือกระดาษสีขาวนั้นเนี่ยเธอทํา ก, กระบาดสีตามเอาไว้ที่มุมขวานั่นเองก็ตอบว่าเห็นกากระบาดสีตามครับครูถามว่าแล้วเห็นอะไรอีกไหมหนัเ่เองบอกไม่เห็นครับครูเลยถามต่อไปว่าแล้วเธอไม่เห็นสีขาวของกระดาษเลยเหยอมองแง่คนสายมองแง่ลบก็คือเห็นแต่ลบ เป็นแต่กัตาบาตั้งที่สีขาวเนี่ยมันมันมันปรากฏชัดมากเลยนะแต่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นหรือไม่รู้สึกว่าไม่รู้สึกสังเกตนะไปเห็นแต่สีดำไป็นจอดๆเป็นสีดำเวลาเงินหายแล้วเราคุมกุ้งกุญเจราะเราไปจอดจอดอยู่แต่กัตตาบาสีดำ เราไม่ได้เห็นสี ข, ข, ขาวเขาด่าวโอ้อนี้เรายังมีเงินเหลือเรามีเงินอยู่ในกระเป๋าทังเยอะแยะเรามีอยู่ในธนาคารต้องมากมายเมื่อปี53มเนี่ยมีจลาจลใหญ่นนในกรุงเทพแล้วก็มีการเผาห้างสรรพสินค้าแถวสยามราชประสงค์ก็มีสุกี้ชื่อดังรล้วสุกี้ชื่อดังเนี่ยนะโดยลุกหลงไปถูกเผาไป 4 ส, สาขาเสียหายไปหลายสิบล้านเจ้าของผู้จัด ก, การเนี่ยก็มารายงานให้ CEO CEO ซีอีโอนี่คุ ณ, ค ณ, คณริชนะทเทลโกเมนก้าจำไม่ผิดเนี่ยซีอีนี่ครอบครัวซีอีนี่เป็นเจ้าของสุขี้เครือข่ายที่ว่าผู้จัด ก, การก็มารายงานด้วยความเศร้าเสียใจและคงโกรธแค้นเลยแต่ CEO นี่กลับยิ้มนะ เหมือนก็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็พูดกับผู้จัด ก, การว่าล่าเราถูกเผาทั้งสีสาขาแต่เราไม่ต้องสามรอยี่สิบนะหายไปสี่แต่ยังเหลืออีกสามร้ยสิบหกคนมองแง่ร่มนะก็จะบอกแต่ว่าไอ้สี่สาขาที่สักวที่เสียไปแต่คนมองแง่บวกก็จะมองว่าโ้เรายัยงมีต้องสามสามสิบหกคุณลิกแกไม่ไม่ไม่มาเศร้าโศกเสียใจเพราะแกมองบวก แกมองว่ายังมีต้องสามสิบกสาขาที่ยังเหลืออยู่ถ้ามองแบบนี้นะมันจะทุกข์ยากจะมีความทุกข์ได้ยากแม้เจป็ป่วนยะมีพี่ยงคนหนึ่งแกมีธาลัสซีเมียตั้งแต่เกิด น, นะเป็นโรคธาลัสซีเมียตั้งแต่เกิด แงลงด้วยนะหมอบอกว่าอยู่ได้ไม่เกินยี่สิบแต่เพราะว่าเธอก็อยู่ได้มาป่านนี้คงจะสี่สิบแล้วมั้งแต่ก็อยู่ได้แบบที่เรียกว่าน่าเห็นใจนะเพราะว่าตัวเธอแพ้แกนตาโปนร่างกายห่อนแอกระดูกเปลาะล้มทีไรเนี่ยแขนหักขาหัก ตัวเธอเนี่ใส่เฟื่มาต่อเปยี่สิบครั้งแต่เธอเป็นคนมีความสุขคนก็ถามว่าเธอมีความสุขได้อย่างไรเธอก็บอกว่าถึงแม้เรื่องฉันจะแย่แต่ฉันยังมีตาเห็นสิ่งสวยงามฉันยังมีจมูกดมกลิ่นหอมมีหูฟังเสียงที่ไพเราะได้กินอาหารก็ยังอร่อยก็ยังเดินหนีไปไหนมาไหนได้ด้วยแค่นี้ก็มีความสุขแนละ้ว คือคนบางคนเนี่ยนะก็จะจดจ่ออยู่แก่ร่างกายที่ไม่ดีไม่สนประกอบแต่ว่ า, าคุณกนก็ะหนกวันเนี่ยแกแกไม่สนใจเลือดที่ไม่ดีแต่แกหันมาใส่ใจให้ความสำคัญกับร่างกายของแกส่วนที่มันยังดีอยู่ ซึ่งก็ทำให้เธอมีเหตุผลที่จะมีความสุขเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจเธอยังดีอยู่แต่ถ้ามองไม่เป็นนะ่ก็จะเห็นแต่เรื่องที่เสียเหมือนกับวัยรุ่นจำนวนไม่น้อยที่ทุกอย่างก็ดีหมดนะบ้านก็ดีครอบครัวก็อุ่นนะมี iPhone มี iPad ใช้แต่ว่ากุ้มใจน้นอไม่หลับเพราะไปจดจออยแค่สิวเนี่ยไม่กินแม้ช น, นไปน ะ, ะเห็นแต่ลบอ่ะไม่มองบวก แล้วถ้ามองโบนี้นะมันทำให้มันจะฉุดใจาจากความทุกข์ได้ง่ายแม้ว่าเราจะมีความไม่สมประกอบหรือจะมีความพร่องมีผู้หญิงไต้หวันคนหนึ่งนะเธอชื่อหวานหวางเ ห, หมยเหรียนอายุสามสิบพิการเกิดมาพิการทางสมองเดินไม่ได้ต้องนั่งรถเข็นและที่มันแย่คือเธอเธอพูดไม่ได้เธอต้องสื่อสารด้วยการเขียน ก็ไม่รู้นะว่าถ้าแม่คนไหนเนี่ยรู้ว่าลูกที่การทางสมองตั้งแต่เกิดเนี่ยอาจจะไม่อนุญาตให้เกิดนก็ได้แต่วหว่างเมื่อนงก็เกิดมาได้แล้วเธอก็เป็นคนมีความสุขเธอสามารถทีเรียนจบปริญญาเอกที่มาหาวิทยาลัยที่มีชื่อาานริกา UCLA อัตมาเนี่ยอวยวะครบสามสองยังไม่มีปัญญาเดียวหนึงปริญญาเอกที่ UCLA ทำได้แค่จบปริญญาตรีธรรมดาแต่เธอเนี่ยนะพิการสมองเดือนถึงเรียนจบปริญญาอีกดีเซลเอก็เลยเป็นแรงบรรยายนะให้กับผู้คนมากมีคราวทเธอไปพูดไปบรรยายให้กับนักเรียนมันธยม mm hmm. เธอบรัญรยายด้วยปากไงเจะต้องเขียนลงใส่กระานนะเธอบรัญรยายเสร็จก็มีนักเรียนยิงถามว่าคุณเกินมาพิ ก, การเนี่ยคุณเคยน้อยใจตัวเองไหม คุณมองตัว อ, อย่างไรพ้องประชุนนีง่เงียบเกือบเลยนะเพราะว่ามันเป็นคําถามที่อ่อนไหวการโดนถามคนพิการแบบนี้นะมันปกดีก็ไม่ถามตรงๆกันแต่วางเมเย์เียนนี่ยิ้มเลยนะเธอก็ไม่รู้สึกสะดุ้งสะเทืออะไรกับคําถามแบบนี้เธอ่็เขียนขันกับพิธีกรแล้วกเขียนฉันมองตัวอย่างไรแล้วเธอเจ็ยนว่าข้อข้อฉันเป็นคนน่ารักเรียวขาวของฉันก็สวยงาม พ่อแม่ก็รักฉันพระเจ้าก็รักฉันเหมือนกันคือเธอมนคริสต์ฉันมีแมวที่น่ารักฉันว่ารูปเขียหนังสือได้แต่ที่คนประทับใจข้อที่เจซึ่งมันเป็นการสรุปเคล็ดลักในการดำรงชีวิตของเธอเธอว่าฉันมองแต่สิ่งที่มีฉันไม่มองสิ่งที่ขาดฉันมองสิ่งที่มีฉันไม่มองสิ่งที่ขาด ก็ก็เหมือนกับเห็นสีขาวกระดาษเนี่ยนะไม่สนใจการกระบาดสีดาอันนี้คือมองแง่บวกนีคือเธอก็เธอก็มีข้อบอกพร่องเนะเธอก็มีสิ่งบางสิ่งหลายอย่างที่ขาดเช่นเธอพูดไม่ได้เธอเดินไม่ได้นี่คือสิ่งที่เธอขาดแต่เธอไม่สนใจ เ, เธอมาสนใจว่าเธอมีอะไรบ้างที่มันดีและเธอมีเหตุผลที่จะมีความสุขเพราะสิ่งที่เธอมีดีเนี่ยมันเยอะอาจจะ9ก มีแค่2อย่างที่หายไปแต่9าดกา ร, การอย่างนี้ดีหมดก็เป็นเหตุผลที่คนยังมีความสุดได้แต่ถ้ามองไม่เป็ น, น, น ก, ก็จะจดจ่ออยู่ไอสองเปซต์สองอร์เซ็นต์ที่มันไม่ดีอะ่ะแล้วคนทุกวันนี้เป็นทุกขพระเหตุ น, นี้นะมีทั้ทุกอย่างเด็กเนี่ยมีทัทุกอย่างขาดแต่ iPhone เนี่ยก็กลุ่มใจหรือว่ามีทุกอย่างเลยนะเราแต่ขาด iPad เนี่ยนะก็สุดด้อย้นะ การมองแง่บวกเนี่ยความหมายหนึง่งเคลนนี้ก็คือมองสิ่งที่มีไม่มองสิ่งที่ขาดมองเห็นสิ่งที่ดีไม่ใส่ใจสิ่งที่มันไม่ดีถ้าคนเราจะมีความสุขได้ง่ายถ้าเราเห็นชื่นชมสิ่งที่เรามีแทนที่จะไปรอความสุขจากสิ่งที่เรายังไม่มีคนทุกวันที่รอความสุขจากสิ่งที่ยังไม่มีจะเป็น iPhone จะเป็น iPad จะเป็นบ้านรถ หรือว่าตำแหน่งหัวหน้าผู้จัดการผู้อำนวยการแทนที่จะไปรอความสุขจากสิ่งที่ไม่มีเราหันมาหาความสุขชื่นชมในสิ่งที่เรามีอันนี้ก็จะทำให้มีความสุขได้ ง, า ง, ง่ายมองแง่บวกอีกความหมายหนึ่ง ก็คือการมองว่าไอ้สิ่งที่ดูแย่ๆเนี่ยมันมีข้อดีอย่างไรบ้างเช่นมะเร็งเนี่ยหลายคนเนี่ยก็เพราะว่าเออมะเร็งก็ทำให้ชันได้มาพบธรรมะนะเพราะถ้าไมเป็นมะเร็งก็คมจะเอาแต่เที่ยวแต่สนุกสนานหรือไม่ก็เอาแต่ทำงานทำการไม่เคยมาสนใจเรื่องชีวิตเรื่องจิตใจเลยพอเป็นมะเร็งแล้วทำงานไม่ค่อยได้นอนพักที่โรงพยาบาลมีหนังสือธรรมะ ม, มาให้ ก็ได้อ่านหรือเพราะว่ากลัวตายก็เลยใหันมาสนใจปฏิบัติธรรมก็ได้พราะความสุบความสงบที่ลึกซึงแล้วก็บอกขอบคุณที่เป็นมะเร็งเขาเห็นด้านดีของมันมีหนุ่มคนหนึ่งเป็นลิเมียนะอายุี่สบเป็นนักศึกษาอยู่เลยแกก็เสียใจทีแรกแต่ต่อหลังนี่แกก็ยิ้มได้แกบอกว่ามะเร็งทำให้นำสิ่งดีๆมาให้แกช่วยแกสามยาหลายอย่าง อันที่หนึ่งคือทำให้ได้เห็นคุณค่าของธรรมะอันนี้สองทำให้ทราบซึ้งในความรักของพ่อแม่เพราะตอนที่ไม่ป่วยนี่นะพ่อแม่ลูกก็ไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกันเท่าไหร่พอลูกป่วยพ่อแม่ก็มาดูแลใส่ใจมากขึ้นก็เลยทราบซึ้งธรรมดากรุงเทพเนี่ยพ่อแม่ลูกก็จะเห่หางแต่พอป่วยพอลูกป่วยนี่กลับมาใกล้ชิดกันอันที่สามเนี่ยมันทําให้เขาได้คิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมันทําให้เขาได้คิดไตรตรอง นะแต่ก่อนเนี่ยพอแม่ตอนที่ไม่ป่วยเนี่ยมันคิดถึงแต่ตัวเองไม่ค่อยมีความยับยั้งชั่งใจเท่าไหร่แก้อยถ้าแกไม่ป่วยเนี่ยนะก็คงเหมือนคนทั่วไปนอนหอพักอยู่หอพักนอนตีสามตื่นมาบ่ายก็รอแต่ว่าเมื่อไหร่เพื่อนจะพาไปเที่ยวใช้ชีวชิตแบบไม่ต้องไม่ต้องสนใจใครมะเล็งทำให้แกเปลี่ยน พอแกเห็ okay, นว่าเห็นประโยชน์ของมันเลกนี่นะมันทําให้แก่ไม่ไม่ทุกข์กายยังทุกข์นะเพราะความป่วยแต่ใจไม่ได้ทุกข์กลัวกุ้มใจอะไรตกงานนะจะมากุ้มใจทําไมบางคนเนี่ยเห็นว่าเออตกงานก็ดีเหมือนกันนะมันทําให้ได้มีอเรากลับไปดูแลพ่อแม่คนที่หมอไม่เป็นเนีตกงานก็กลัวกุ้มใจชีวิตไร้ค่า แต่พี่คนนี้แกมองเป็นข้อดีเพราะตอนที่ทำงานเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาดูแลพ่อแม่เท่าไหร่แต่ตอนนี้โอกาสทองเปิดแล้วได้กลับไปดูแลพ่อแม่ได้ไปตอบแทนบุญคุณท่านเพราะท่านอยู่ต่างจังหวัดไม่ค่อยได้มีเวลาไปอันมาคือไปเยี่ยม ไปไ ป, ไปเยี่ยมคนไทยที่โรงพยาบา ล, ล้วไปเจอพี่คนหนึ่งเธอก็อยู่ประมาณสักสบได้30ต้นต้นๆกำลังพยาบาลแม่ที่กำลังป่วยอยู่ในระยะสุดท้ายพยาบาลก็มาเล่าวันเนี่ยหญิงคนเนี้ยเพิ่งแท้งลูกลูกเจเดือนแล้วก็เพิ่งเสียลูกไปคุณนึกภาพนะคนที่แม่กำลังตายแล้ว เสียรูปไปเนี่ยรู้สึกยังไงข้อซ้ำำํามําสั้์เลยนะเสียเสียลูปไปแล้วก็เลยเสียแม่หรือว่าเสียแม่ไม่พอก็เลยเสีแล้วก็เสียรูปไปด้วยแต่เธอไม่มีริ้วรอยแห่งความเศร้าโศกเท่าไร่เลยในการที่ต้องเสียรูปไปเธอรักลูกนะแต่เธอมองแบบนี้ว่าลูกในท้องเนี่ยคงจะเห็นใจเธอหนะ้าที่ ต้องดูแลแม่แล้วถ้าเกิดลูกในท้องออกมาเนี่ยนะแม่คงจะหนักนะในต้องดูแลลูกน้อยในต้องดูแลคนแก่ที่กำลังจะตายเธอบอกว่าลูกเนี่ยในท้องเนี่ยเห็นใจเธอก็เลยเป็นฝ่ายไจเพื่อที่เธอได้มีเวลาเต็มที่ในการดูแลแม่ซึ่งกําลังจะตายเฮ้ยเธ อ, อมองแง่บวกมากเลยนะเธอไมไ่มองในทางที่ไปซ้ําเติมตัวเองหรือว่า ทำให้ตัวนี้เจ็บช้ำน้ำใจนะเหมือนกับว่าทำไมกูส่วนแบบนี้นะั้นต้องเสียทั้งรูกแล้วก็จะเสียแม่เนี่ยคนเราเนี่ยมันจะทุกข์ระาร์ูที่มุมมองมากทีเดียวนะทั้งที่เจอเหตุการณ์เดียวกันแต่บางคนแย่แต่บางคนกลับดีกลับรู้สึกดีมีคราตมาพาคนไปไปเยี่ยมผู้เปรตสุดท้ายในะที่หัดใหญ่ จิตอาสา ค, คุณก็ไปเจอเด็กอายุสอีกเป็นผู้หญิงผมร่วงหมดเลยเธอเป็นมะเร็งแรกสุดเธอเป็นมะเร็งสมองแต่จิาาตอาสาแปลกใจมากเด็กคนนี้ยิ้มแย้นแจ่มใสโอภ า, าสใสดีชวนเธอวาดรูปวพาปกติเธอเด็กว่างๆก็วาดรูปคุยกปคุยมาเธอก็บอกว่าเนี่ยรู้โชคดี ที่ไม่ไดเป็นมะเร็งมนลูกมีแยกไปตั้งมะเร็งมดลูกปวดมากเลยหนูโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองหนูโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองนี่เธอนี่เธอมองแย่ปวดนะคือเธอมองว่าไอ้ที่เธอไอ้ที่เกิดขึ้นกับเธอเนี่ยมันดีมันดีที่ไม่แย่ไปกว่านี้คือคนเราก็เจอเจออะไรนะแล้วเรามองแบบนี้นะเหมืนมันทุกข์ยาก ในสายพุทธการเนี่ยเคยมีพระรูปหนึ่งชื่อพระกุณณนะพระกุณณะเนี่ยอยู่กับพุทเจ้ามาริยาญอยู่ตอนหลังก็มาทูลลาพุทเจ้าขอกลับไปเมืองสุนันปันต์สุนันปันต์คือเมืองของพระกุณณะแต่เดิมพุทเจ้าก็ท้วงหรือถามว่าคนสุนันปันต์นี่ดุร้ายนะถ้าท่านกลับไปแล้วเขาด่าว่าท่านท่านจะคิดอย่างไรพระกุณณะก็ตอบว่าเขาด่าว่า ก็ยดีที่เขาไม่ทุกตีวิจารก็ถามต่อไปว่าแล้วถ้าเขาทุกตีท่านท่านจะว่าอย่างไรขขเขาทุกตีก็ดีที่เขาไม่เอาอไม้มาฟาดไม่เอาก้อนหินมาฟางแล้วถ้าเขาก้อนหินมาฟาดท่านจะว่าอย่างไรเขาเอา้อนหินมาฟางก็ดีกว่าก็ดีที่เขาไม่เอาไม้มาฟาดแล้วถ้าเขามามาฟาดท่าน่านจะว่าอย่างไรเขาอไม้มาฟาดก็ดีที่เขาไม่เอามีดมาแทงแล้วถ้าเขาามีดมาแทงท่านจะว่าอย่างไร พระพุก็ตอว่าเขามีมันแทงก็ดีกว่าก็ยังดีที่เขาไม่ฆ่าให้ตายแล้วถ้าเขาฆ่าท่านให้ตายนั้นแต่ว่าอย่างไรพระนั้นก็ตอบว่าคนบางคนอยากจะตายนี่ก็ต้องไปหามีหรือไม่ต้องไปจ้างคนมาฆ่านี่ถ้ามีคนมาทํามาฆ่าข้าพโลก็ก็ดีก็คือไม่เนื่อนะคือพระเจ้าก็เลยอนุโมทนาแล้วก็นิยายนั่นไปบอกว่าในสุดท่านก็สามารถจะไป ไปชวนให้คนเหล่านั้นเนี่ยคนสุนทรพันธ์ตานั้นมาสมาทานพระธรรนั้นไตร ล, ลดจากความโดดดุรายคือกรณีท่านพระคุณานเนี่ยนะท่านมองอะไรว่าทุกอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นกับท่านาดีทั้งนั้นดีที่ไม่แย่ไปกว่า น, นี้นั้นถ้าเราถ้าเรามีมุมมองแบบนี้เนี่ยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราก็ดีนะเออแต่ก่อนเคยโกรธเคยโมโหที่เขา เขาวิจาร์เรานะเราทำอะไรพระก็วิจารหลายคนที่ไม่ชอบนะการถูกวิจารแต่ถ้ามองอีกแง่หนึน่งนะมองแง่บอกคือเขาวิจารก็ ด, ดีดีกว่าดีที่เขาไม่มาด่าว่านะเขาด่าว่าก็ดีที่เขาไม่มาทำรา้ายแล้วคุณลองที่แบบนี้เนี่ยจะทำให้ใจเนี่ยทุกน้อยลงกับคาวิจาร์คำตอว่าดอยทอง หรือถ้าคุณมองให้ดีคุณมองก็มองว่ามันมีเปรียบอย่างไรได้บ้างมีเศรษฐีคนหนึ่งนะเสรษฐีโแล้วนะเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของเมืองโบราณหรือกรียประกันไทยคุณเล็กกรียาพันเนี่ยเป็นเศรษฐีร่ำรวยมากแต่ว่าเป็นคนที่มีมีปัญญาและเป็นคนที่น่าสนใจยัเคย พ, พูดว่าวันไหนไม่ถูกตําหนิวันนั้นเป็นอาคมองคน วันไหนไม่ถูกตําหนิวันนั้นเป็นอากมงคลแปลว่าอะไรแปลว่าวันไหนถูกตําหนิวันนั้นเป็นมงคลเพราะว่าคุณเล็กนี่มองว่าคําตําหนินี่มีประโยชน์นะเช่นคนที่ถูกมักจะมีคนป้อยศประจบสอบพอหรือว่าสารเสริญเนี่ยนะบางทีใจบางที่ก็ลืมตัวหรืว่าตัวมีเทวดาแต่ถ้าได้รับคำำําตําหนิมันก็ทําให้เรากลับมาตระหนักว่าเราเป็นมนุษย์ที่มีผิดพลาดได้ คำวิจารณ์มันดีประโยชน์นมันช่วยลดอีกโก้นะสำหรับคนที่หลงไหลในอีกโก้เนี่ยพอเจอคมวิจารณ์มันช่วยทำให้กลับมาเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นหรือว่าทําให้เราได้เห็นว่าคนจะประปับปรุงตัวยอย่างไรถ้าคุณมองแบบนี้บ้างเนี่ยนะใจจะยอมรับคําวิจารณ์ได้มากขึ้นแล้วก็จะทุกน้อยลงนอะกจากการยอมรับ การทําใจยอมรับนอกจากการมองแง่บวกแล้วเนี่ยการปล่อยวางก็สาคัญนะปล่อยวางอาตมาก็ยกตั ว, วอย่างไปแล้วเ่อว่าเวลาเงินหายนะเวลาถูกตําหนิเนี่ยนะมันทุกข์ใจไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางทั้งที่มันผ่านไปแล้วนะกลับไปยิดนะกลับไปยึดมันข้อวิจารณเราก็ เอาแต่คุณคิดถึงมันยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์แล้วก็ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางสักทีที่จริงถ้าว่าความวิจารณ์เนี่ยมันทําให้ทุกข์นะเราก็ไม่ควรจะรับมันตั้งแต่แรกนะคําด่าว่าถ้าเราได้ยินแล้วทุกข์ก็อยากใจเราก็จะไปยึดมันตั้งแต่แรก ในสายพิธีการเนี่ยมีพรามคนหนึ่งนะไม่พอใจพุทธเจ้าเดินตามพระองค์แล้วก็ด่าโระงตลอดทางเลยพุทธเจ้าก็ไม่ไม่ตอบโต้จนกระทั่งเขาดา่าด่าจนหนงใจแล้วพุทธเจ้าก็เลยหันมาคุยกับเขาพุทธเจ้าถามว่าพรามเคยมีอาคันตุกะมาเยี่ยมบ้านท่านไหมพรามก็ตอบมีเสีเข้าพเจ้าไม่ใช่คนสินไลน์ไม่ต่อ เวลาเข้ามาเยื่ยนี่ท่านทําอย่างไรข้าพเจ้าก็เอาน้ำเอาของมาต้อนรับพระเจ้าก็ถามว่าถ้าอัคตุการนั้นไม่กินน้ำไม่ไม่ไม่กินของที่ท่านต้อนรับเนี่ยของเรานั้นจะเป็นของใครพระองตอบว่าเป็นของข้าพเจ้าคือพระเจ้ า, จาก็เลยบอกว่าเนี่ยฉันแล้วฉันนั้นท่านท่านด่าว่าเราแต่เราไม่รับคําด่าของท่านนะคำด่าจะเป็นของใครนะ คือถ้าเราถ้าเราถ้าเรารู้สึกเป็นทุกข์กับคำด่าว่านะก็อย่าไปรับมันตั้งแต่แรกแต่ถ้ารับมันแล้วเนี่ยก็ลองมองว่ามันมีประยชอย่างไรบ้างมีคนเปรียบเทไยบดีนะเ้าบอกว่าคำด่าว่าเนี่ยก็เหมือนกับจดหมายที่ส่งไปยังผู้รับแต่ถ้าผู้รับเนี่ยไม่รับจดหมายนั้นเนี่ย กหมายนี้ก็ต้องตีกลับใช่ไหมตีกลับมหาใครตีกลับมหาผู้ส่งใช่ไหมใครเราว่าอะไรถ้าเขาดา่าเราเสี ย, ยหายเนี่เราอย่าไปอย่าไปก็อย่าไปสนใจอย่าไปโกรธอาจารย์ชาท่านเคยพูดว่าอาจารย์ชาหลวงองอาจารย์ชาสุภพโทเนี่ยท่านเคยพูดว่าเวลาใครด่าว่าเราเนี่ย ก่อนจะโกวดก็คําที่ก้นสันหน่อยว่ามีหางงอหรือเปล่านะคือเ้าด่าเราเป็นเป็นเดรฉานั่นนะเป็นหมูเป็นหมาเนี่ยก่อนจะโกรดก็คําก้นก่อนว่ามีหางหรือเปล่าถ้าไม่มีหางก็อย่าไปโกรธเขาแปลว่าอะไรเพราะว่าเขาด่าว่าอะไรเราเยมันก็ไม่ทําให้เราเป็นอย่างที่เขาว่าใช่ไหมเราจะโกวดไปทําไมในเมื่อเราไมไ่เป็นอย่างที่เขาว่า มีหลวงพ่อรุ่นหนึ่งนะหลวงพ่อประสิทธิาวโรท่านเป็นอดีตเจ้าว่าวัดทํามเดชเปริกที่เกาะสีช้างท่านเปริกเนี่ยเมือ่อสักสาปีก่อนได้มั้งมันเป็นวัดร้างท่านก็มาเจอแล้วก็มาฟื้นขึ้นมาก่อสีชังสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นมันเป็นรีสอร์ทมันเป็นที่ท่องเที่ยวนะแต่ก่อนยังไมมีคนยังไม่มี้จักพัทยาอัตมาจําได้เลยเคยไปพัทยาสมัยที่ยังไม่มีน้ำเจืดเลยนะพอมาสัก สามสีิบปีที่แล้วไม่มีน้ำจืดและไม่มีอะไรเลยคนไปเที่ยวที่เกาะสีชันพอท่านไปฟื้นขึ้นมาเนี่ยนักเพลงท้องถิ่นก็ไม่พอใจเพราะคงอยากจะพุกที่วัดตบยามาทางกลั่นแกล้งพระด่าพระบางที่เดินเดินชนพระขณะที่บิบาทบาทนีนกระเด็นเลยนะหลวงพ่อประสิทธิ์ท่านก็ไม่อยากตอบรัเียงกับคนพวก น, นี้นะท่านเคยคิด อ, อยากจะ ได้ไปที่อื่นแต่ว่าท่านเห็นว่าว่าไม่มีประโยชน์ท่านก็เลยอยู่ต่ออยู่ต่อก็ตเจอกัคนพวกนี้ทําอย่างไรนะวันนึงเนี่ยท่านเดินผ่านหน้าบ้านของนักเลงท้องถิ่นนะั้นคงเป็นระดับบนหน้าเลยมันเห็นหลวงพ่อประสิทธิ์ผ่านมาก็ถือเป็นถือเป็นโอกาสทองเลยก็ดา่าท่านใหญ่เลยนะหลวงพ่อเนี่ยประสิทธิ์เนี่ยแทนที่ท่านจะหูทวนลมแทนที่ท่านจะ ด, าด่าตอบท่านกลับเดินไปหาง นักเลงค น, นนั้นพอเดินไปถึงตัวก็จับแขนเขย่า ม, า, ม า, ามึงด่าใครมึงด่าใครก็ด่ามึงน่ะสินักเันพูดกับพรานะั้นก็ด่ามึงน่ะสิอ๋อท่านก็ยิ้มอ๋อแล้วไปที่แท้ก็ด่ามึงนี่แล้วอย่าด่ากูแล้วกันนะ <c oughs> แล้วก็เดินจากไปไอ้ท่นงงเลยตกลงกูด่าใครว่ะ <c oughs> คือท่านคือเขาด่าท่านเนะี่ยแต่ท่านไม่รับเนี่ยนะ ทานก็พูดให้พ่อได้เกี่ยวเนี่ยเออที่แท้ก็ด่ามึงเดี๋ยวเร่าอย่าด่ากูแล้วกันนี่ เ, เป็นเป็นการปล่อยวางแบบหนึ่งคนเราไม่ได้ทุกข์เพราะคาําด่าคนเราทุกข์เพราะมีปัญหาต่างๆมากมายปัญหาในที่ทํางานปัญหาจากเพื่อนโรงงานแต่เราเคยเคยคิดไหมว่าไอ้ความทุกข์ใจเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะปัญหา ปัญหามันไม่ทำให้เราทุกข์ถ้าเราไม่ไบกแดมันสมัยหนึ่งเนี่ยมีเพิดสามสิบสปีก่อนมีในตําำรวจซึ่งเป็นคนตรงฉินซื่อสัตย์จริตมากแกมีความทุกข์ก็เลยไปไประบายให้หลวงพ่อชาสุภัทโทฟังระบายว่าเนี่ยเจ้านายก็กันแกล้ง เนะพราะแกไม่ขิ่ตามน้ำเดิ น, เดนก็ไม่ขึ้นตำแหน่งก็แปก๊กเพื่อโรงงานก็แทงข้างหลังขัดแข้งขัดขาสารพัดบนนะระบายใจคอคงอยากจะเล่าจับราชการผมระชาทัานก็ฟังอย่างเดียวเลยท่าไม่พูดอะไรเนี่ยจนกระทั่งเขาระบายจบผมระชาก็ชี้ไปที่ ก้อนหินที่วางอยู่หน้าประติทนะ่านเห็นก้อนหินก้อ น, นนั้นไหมเห็นครับหนักไหมหนักครับแบกไหวไหมแบบไม่ไหวครับเออถ้าไม่ไหวก็ไปแ บ, บกมันนะแค่เนี่ยในตำรวจนนั้นะแกปิ้งเลยนะแกรู้เลยว่าแกถูกพ่ออะไรนะถูกพ่อไปแ บ, บกปัญหา ปัญหาไม่ได้ทำให้ทุกข์นะฮะเหมือน ก, ก, ก้อนหินไม่ไทําให้เราทุกข์ก้อนหินมันทุกข์เรามันต่อเมื่อเราไปแบกก้อนหินนั่นเราถึงทุกข์ใช่ไหมโต๊ะเนี่ยหนักไหมถ้าไม่แบกเนี่ยมันทุกข์ไหมต่อเมื่อไปแบกมันถึงทุกข์ในตัวรเราคนนั้นแกบิ้งเลยนะว่าปัญหาไม่ได้ทำให้แกทุกข์แต่เพราะแกมียึดตังหามทาให้ทุกข์เมื่อความยึดทําให้ทุกข์ ทางออกคืออะไรก็คือปล่อยรู้ว่าคุณคดีนั่นปัญหานี้ไม่แก้ไม่ได้กลุ่มอ่ะมปัญหานี้ไม้แก้ไม่ได้มกลุ่ ม, ห, ม, ม, ม, ม, มหลายคนเนี่ยเป็นหนี้แล้วก็แบกหนี้เอาไว้หนี้เนี่ยเมีเอาไว้ใช่นะใช้หนี้่ไม่ใช่มว้แบกนะบางคนเนี่ยโหแบกหนี้ไปทั้งวันทั้งคืนเลยนะทงนางานก็แบกหนี้นะ ไม่มีไม่มีอารมณ์ไม่มีสมาธิในการทานานํางานแล้ะมันคิดถึงแต่นี่ที่ยังยังไม่ได้จา่ายใครที่มีนี้บ้างบ้างลองลองลองเอาตัวอย่างของหลวงพ่อพยนตร์ไปนะว่าส่วนแก้เนี่ยกู้เงินธนาคารในหลายสิบล้านมากเลยเพื่อไปพัฒนาว่าเพื่อเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ยางจนก็มีคนถามหลวงพ่อพยนตร์ว่า พ่อทุกไหมเครียดไหมที่เป็นหนี้หลายสิบล้านท่านตอบดีนะบอกว่าอาตมาจะทุกไปทำไมให้คนที่น่าจะทุกน่าจะเครียดมากกว่าคือเจ้าของเงินนะว่าอาตมามีปัญญาจา่ายเงนเธอหรือเปล่านะใช่ไหะเจ้าของเงินนะ่ยที่น่าทุกแต่ตัวท่านไม่ทุกหรอกแต่ไม่แปลท่านเบียวนะ ใครก็รับผิดชอบนะกับเงินที่ต้องจ่ายก็พยายามหาเงินมาจ่ายได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ไม่แบกหนีนะ้อันนี้เรียกว่ารับผิดชอบด้วยใจที่ปล่อยวางคนเข้าใจไหมรับผิดชอบด้วยใจที่ปล่อยวางคนไปเข้าใจว่าปล่อยวางคือไม่รับผิดชอบที่จริงไม่ใช่มีหนี้ก็ต้องจ่ายแต่ว่าไม่ทุกเนะี่ยไม่ได้แบกหนี้นะ หรือว่าเรียกว่าปล่อยวางอย่างรับผิดชอบนะทำงานเนี่ยสำคัญมากเลยนะคุณต้องรู้จักการปล่อยวางอย่างรับผิดชอบหรือผู้ใหญนก็คือว่าทำเต็มที่แต่ไม่สีเรียส น, นะไม่สีเรียสไม่เสียคือไม่สีเรียนในผลที่จะต้องที่จะเกิดขึ้นหน้าที่ของเราคือทำเกื่ให้ดีส่วนผลเนี่ยมันเป็นเรื่องตามมาทีหลังนะ ฟาสิตจีเขาบอกว่าความพยายามของมนุษย์ความสําเร็จเป็นของฟ้าดินหน้าที่เราคือทําเต็มที่ส่วนความสําเร็จเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยซึ่งเราควบคุมไม่ได้อันนี้พูดแบบพูดนะั้นหน้าที่เราคือทําเต็มที่ส่วนผลจะเป็นอย่างไรมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยเพราะเวลาทํางานนอย่าไปสนใจผลแต่ทําเหตุให้ดีใส่ใจกับงานนะ คุณคิดกับมันแต่ว่าผลจะเป็นยังไงต้องปล่อยวางถ้าคุณทําด้วยใจที่ปล่อยวางในผลนะคือไม่ต้องทําไปก็ไม่ต้องหมดเนะมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จหรือทําไปก็ไม่ต้องมาคิดว่าอ้ยออกทําผลงามนมาดอกมาใครก็จะว่าอย่างไงเราเจ้านายก็จะพูดอย่างไงเจ้าคนก็จะชมเราหรืไหอไม่จะไปสนใจนะขอให้คุณทําเต็มที่ก็พอ ไม่ต้องสนใจเลยซ้ำว่ามันมีงานอีกกี่ชิ้นรอยอยู่หลายคนเนี่ยนะทำงานเช้าวันจันทร์ก็ไปนึกถึงงานตอนเย็นนะต้องไปคืนเซนหรือว่าทำงานเช้าวันอังคารก็ไปนึกถึงวันเสาร์แล้วนะทำงานกาลังทำงานอยู่ก็นึกถึงอีกสิบชิ้นที่กาลังคายอยู่หรือที่กำลังรอยอยู่แค่นี้คุณก็หมดแรงแล้ว แค่น้คุณก็เครียดนะไม่ใครจะทำอะไรเลยคุณเครียดเพราะความคิดคุณทุกข์เพราะความคิ ด, ค, ค, ค, ดคุณไม่ได้ทุกข์เพราะงานนะงานไม่ทำให้คุณทุกข์นะแต่คุณทุกข์เพราะความเครียดเพราะปล่อยเพราะความยึดติดมากกว่าทำงานงมีความสุขตอ้ถ้าคุณจะปล่อยวางพูดไปแล้วนะการยอมรับการมองง่ายบวกการปล่อยวาง การมีสติในการทํางานหรือการมีสติในการบดิหารชีทนี่ก็สําคัญนะใ น, นเมื่อเราว่าทุกเนี่ยทุกก็ความคิดมันคิดไปถึงอดีตบ้างคิดไปยังอนาคตที่มาไม่ถึงบ้างเวลาทํางานเนี่คนเราไม่ทํางานเราไม่ทุกข์ท้องงานไ ม, ไม่เหนื่อย้องงานแต่เหนือยเพราะใจที่ฟุ้งซ่านไปอยู่กับอดีตบัางอยู่กับอนาคตบ้าง แตที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าื่ตัวเราไม่มีสติแต่ถ้าใจมีสติเมื่อไหร่เนี่ยนะมันจะกลับมาอยู่กับปัจจุบันมันจะวางเรื่องสติวางเรื่องอน า, นานคตเมื่อคุณมีสตคิคุณจะมีความรู้สึกตัวโปร่งโร่งนะแล้วมันจะช่วยทำให้ติดใจสบาย แล้วถ้าสติเนี่ยมาใช้ในการพิจารณาคุณก็จะเห็นต่อไปเลยแล้วว่าแม้กระทั่งเวลาทุกข์กายเนี่ยถ้าคุณมีสติทันนะมันจะทุกขก์ใจโดยไม่ทุกข์ใจด้วยคนเวลาทุกข์กายเนี่ยนะมันมักจะทุกข์ใจซ้อนขึ้นมาหรือว่ามีการทุกข์ใจ มาด้วยอันนี้พูดถึงรวมถึงความเจ็บป่วยด้วยนะอาจารย์พูกับอ้นวน่าทุกข์กายเนี่ยมันไม่แยากเท่าทุกข์ใจบางคนอ จ, จะเสียงว่าโอ้ยแล้วความเจ็บป่วยเนะี่ยความเจ็บป่วยในหะ้คนที่ป่วยเพราะเป็นมะเร็งก็อยากจะบอกว่าก็อยากจะยืนยันว่าแม้กระทั่งคนที่ป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยนะไอ้ที่ความทุกข์ที่มันเล่น ง, งานขึ้จริงเนี่ยมันคือความทุกข์ใจมากกว่า มันคือความป่วยใจมากกว่าป่วยในความหมายที่ว่ามีตร ก, กังวลเครียดกลัวนีคุณคุณป้าคนหนึ่งเป็นมะเร็งทีแรกแกมันก็เป็นมะเร็งนะแก เ, เข้าออโรงพยาบาลจนานผู้หมอก็บอกว่าป้าป้าเป็นมะเร็งต่ำนะอีู่ไดไม่เกินสามเดือนแกตกใจ กินไม่ได้นอนไม่หลับพี่ตกกังวลก็อยู่ได้แค่สิบสองวันแกก็าตายแต่ว่าแกตายเพราะมะเร็งมันลามเร็วขนาดนั้นเหรอสิบสองวันแกไม่ไ้ตายเพรก้อนมะเร็งนะแกก็ตายเพร า, า, นะ า, าใจที่มันทุกข์ทรมานคนบาคนถ้าเขาวางใจดีเนี่ยเขาอยู่ได้เป็นปีเขาอายู่ได้สี่ห้าปีแม้เป็นมะเร็งตับ มีนะเป็นมร็งตามนี้อยู่ได้หลายปีก็มีนะมิติเรื่องคุณภาพที่ก็สําคัญในการที่ทำให้คนนี้สามารถจะมีชีวิตได้ยืนยาวแต่คุณป้าที่ตายเลย เ, เพราะว่าแกไมเลด้ป่วยกายแต่แกป่วยใจและแกก็ไม่ดูแลจิตใจใจที่มัป่วยด้วยความทุตกต์กรงด้วยความกวนมันทําให้ใจเย็นแยน่คนที่ป่วยกายแต่ใจไม่ป่วยนี่นะเขาจะอยู่ได้อย่าง มีความสุขตามอัตภาพป่วยใจที่ในที่นี้รวมถึงไปรวมถึงไม่ใช่รวมถึงมันไม่ใช่แค่ความที่ต่อกความโกรธ น, น, นะแต่มันรวมถึงความความรู้สึกลึกๆนะว่าฉันปวดฉันปวดมันไม่ใช่แค่กายปวดนะมันมีความรู้กกูปวดกูปวดตรงนี้ที่ทำให้มันทุกมากคนไในต่างนะว่าเวลาปวดนี่นะ มันไม่้แค่ปวดกายนะมันยีงว่าชั่วกูปวดด้วยแต่ถ้าตัดเอาเรื่องความชั่วกรูปวดไปนนะความปวดกาย เ, เรื่องเป็นเรื่องที่ทนได้สบายมากหลวผู้บุญตาเนะี่ยมีตอนนึงนะท่านท่านไปนผ่านที่ไนไตมันก็50ปีไปแล้วนะสมัยนะั้นเทคโนโลยีก็ไม่ก้านามาก่าเสร็จ สิ้าทีท่านละท่านก็บอกหมอว่าหมอค่อยมัช่วยแล้วไม่เป็นไรแล้วค่อยมัช่วยแล้วคือท่านจะกลับวันแล้ะหมอก็ตกใจถามว่าหลวงปู่ไม่ปวดเลยเพราะว่าคนที่หาน้อยกว่าท่านนี่ยังปวดต้องปวดเลยแต่นี่หลวงปู่จะกลับวันแล้ะหลวงปู่ไม่ปวดเลยท่านตอบไปคงตอบว่าปวดใส่ทำไมไม่ปวดร่างกายใส่ก็เหมือนคนทั่วไปแต่ใจไม่ได้ปวดด้วยใจไม่ได้ปวดด้วย เังนัท่านเนี่ยมันปวดแต่กายใจไม่ปวดแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยที่ทนไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ปวดกายแต่ว่าใจมันมันปวดใจปวดเพราะมีความสุขลึกๆว่ากูปวดกูปวดหลวงปู่เนี่ท่านท่านมีสติมีปัญญาจนเห็นว่ามันไม่มีมันไม่มีกู่มันมีแต่กายกับใจมีแต่รูปกับนามเวลากายปวดก็เลยเป็นแค่กายปวด แต่ค น, นสัญนญ่ไม่เห็นความตีตรงนี้ไม่มีส ต, ติไม่มีปรญญาก็เลยไปคิดเอาว่ากูปวดก็เลยทนไม่ไหวต้องขอยาขอยาระงับปวดหลวงพ่อขอตมาหลวงพ่อคำเทียนเนี่ยท่านก็เป็นมะเร็งนะแล้วก็ท่านก็ไปอย่างสงบตอนนี้ท่านปวดนี่ท่านก็ไม่ได้ทุกข์ทรมานอะไรท่านเคยพูดว่า ความปวดเนี่ยมันไม่ลงโทษเราแต่ความเป็นผู้ปวดเนี่ยที่มาลงโทษเราในความเป็นผู้ปวดคือความเป็นยิบะครูปวดครูปวดตรงนี้แหละที่มันทําให้ใจเป็นทุกข์นะพอมีความเจ้าครูปวดขึ้นมาในใจทุกข์เลยใจปวดขึ้นมาดังนั้นต่อมาก็ยังก็ยังยังอยากจะพูดว่าเนี่ยความทุกข์กายเนี่ยมันไม่มันไม่หนักหนาเท่าความทุกข์ใจแม้กับคนที่เป็น โรคนะที่ไร้ายแรงที่มีทุกขเวทนามากเนี่ยถ้าไม่ทุกใจแล้วเนี่ยมันทนไหวแต่พอทุกใจแล้วเนี่ยมันทนไม่ไหวจะร้องครวนครางต้องขอยาสารพัดแรงตา่างแต่คนจะทําแบบนี้ได้คนที่จะรักษาใจแล้วว่าปวดแต่กายใจไม่ปวดเนี่ยมันก็มีน้อยนะที่จะไม่รู้สึกว่าปวดปวดแต่น้อยเนี่ย รักษาใจไม่ให้ไม่ให้โวยวายตีโวยตีไฟหรือว่าไม่ให้มีความวิตกกังวลมองแง่บวกนี่ทำได้เป็นสิ่งที่เราประชาชนทุกคนก็ทําได้ทั้งหมดที่อาจามาพูดมาแล้วก็ทั้งหมดก็เพื่อที่จะชี้ว่าทุกที่แท้เนี่ยมันแก้ที่ใจได้เสมอแล้วคะแนนใดการกันก็เราสามารถจะคบสุขที่ทใจได้ที่ใจของเราเอง ก็ปรสบควมรจเวลาความยุติยังจะต้